นึกว่ามีแต่อภิปรายกานเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอ ย, อย่างนี้ใช่ได้เั็นหลวงพ่อเบือ่อเบื่อพวกหน้าซ้ําๆ <c oughs> ไปไหนนะ้แล้วก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นเกาเอ้ยเกาไก่เขาตอกเขาไข่ยอยู่ในเล้าได้ลนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม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 บางคนเวลาทําบุญนะสมัยกอ่อนขอวงพ่อเคยเห็นเวลาทําบุญนะจบเลยนะอธิษฐานเจ้าประพูน ด, ด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดฉันใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกาลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้นะถ้าไม่รู้ทุกข์จะนิพพานไม่ได้รู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงนะการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิธีรู้ทุกข์ การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมีชื่อเพราะเพราะนะว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงทุกไม่ต้องหนีมันแต่ทุกให้รู้มันในตรงนี้นะคนทั่วไปทํำยังไงก็คิดไม่ออกหรอกว่าทุกให้รู้มีแต่ทุกให้ละทางนั้นนะทุกให้หนีทุกให้ละแล้วพระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้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 แั้นเราค่อยๆสังเกตตัวเองเวลาเราคุยกับคนอื่นงั้นเราเราคุยไปฟังไปคิดไปนะดูหน้าเข้าบ้างฟังบ้างคิดบ้างหรือวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีเ้วเดี๋ยวก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปในทีวีเดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวเราก็สลับไปคิดฟังไปดูไปนะคิดไปสลับกันตลอดเวลาสลับไปสลับมาหัดรู้ทัน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 ไม่อะไรไม่อะไรเอาบอล น, นี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลยนะชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองนะอ่ะเทศพอสมควรเทศมากนะกก็ไม่เหมาะได้ข่าวว่ามีเตรียมถามสิบแปดคนขอเชิญสิบแปดมงกุฎ <laughs> เขาจะเล่นโขอนอ่นะเก็จะเล่นโขนต้องมีสิบแปดมงกุฎเหมือนกันหลวงพ่อก็มีนาฬิกามันกันเขาเพิ่งให้มา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 เดี๋ยวนี้พาดูทีละคนไม่ได้แล้วต้องพาดูทีละทั้งชั้ น, นเลยอาเชิญค่ะเอิรการิกหลวงพ่อค่ะหนูก็ตามตามดูมาสักระยะหนึ่งอะคะ่ะปีสองปีนะคะรู้สึกว่าก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าเข้าใจว่ า, าความรู้สึกตัวมันที่แท้จริงมันยังไม่ไ ม, ไม่เกิดสถะะทีอะค่ะทีนี้ไม่ไม่ทราบว่า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 นหน้าที่ก็คือคอยรู้มันต่อไป ร, รู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วครับกลับนมออ้มันสะกังครับเบอร์สี่่ยเบอร์อะไรเบอร์ห้าอ่ากลับน้มัสกังหลวงพ่อค่ะ ก, ก็หลังจากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นรู้ทูทันแจขงเราว่ามันตื่นเต้นนะเอาว่าไปก็ปฏิบัติได้สักระยะก็ยังเพ่งอยู่ค่ะอะไรนะยังเพ่งแล้ว่ากดมันยังบัวเยอะเออรู้ว่าเพ่งอยู่ก็ใช้ได้แล้ว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 อย่าไปเพ่งใส่ร่างกายนะของคุณดูจิตรวดเดียวเดี๋ยวอย่าไปเพ่งใส่จิตพยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยพยายามรู้สึกกายไว้นะของคุณต้องดูกายหนึ่งจะเหมาะคุณค่ะอ้า่เบอร์หกค่ะนมาสการะหลวงพ่อนุตตื่นเต้นอยู่ค่ะอืใจหนูยังสั่นๆอยูอ่อย่าให้มันหยุดก็แล้วกันค่ะ <laughs> <laughs> หนูยังไม่เคยปฏิบัติคะ่ะหนูมาครั้งนี้ครั้งแรกอะคะ่ะปฏิบัติคืออะไรอ่ะ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 ใจก็ยังไม่ตื่นหลับว่เออค่อยๆรู้สึกไปนะ เ, เวลาใจหนีไปคิดเ่อรู้ใจหนีไปคิดเ้วรู้ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วเห็นไหมให้คอยรู้อย่างนี้นะค่ะพอครับอ้าวเบอร์เจ็ดตื่นเต้ น, ตนโอ้คนทุกคนร้อนกราบน้ำระส ก, การหลวงพ่อครับ เ, เคยได้ไปส่งกันบ้านที่สุนสริติธรรมครับแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งอยู่แล้วให้ไปดูกายผมก็ไปดู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 หลวงพ่อก็ชวนท่านคุยให้ท่านเผลอๆไปขนาดไดเผลอขนาดนั้นจะเลิกเพ่งงั้นหัดเผลอซะบ้างนะเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกได้คะแนนไปเรื่อยๆถ้าเพ่งไปตลอดเวลาไม่ได้คะแนนเอย่าตอนนี้หลงไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งรู้สึกไหมนี่ไปกดมันปล่อยไปปล่อยมันเอาเลยกดใหญ่คือเหมือนจะพยายามให้มันสบายครับแต่กับว่าอย่าไปจงใจทํา นะให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องจงใจนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นอักขัเบอร์แปดขอบคุณครับการนาสการหลวงพ่อค่ะเออก็ตื่นเต้เก็ไหมความคิดเราหายไปค่ะเห็นไหมมันหายไปได้เองอเห็นไหมเห็นไหมความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเ<อ>นี่ยคอยรู้ทันมันอย่างเนี้ยนะเอาว่าไป คือพอสภาวะมันเกิดขึ้นอยู่อันนึงที่มันทำแล้วยังยังติดอยู่ก็คือเวลาไม่พอใจและเขืองใช่ไหมคะมันก็ยังอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามจะไปกดนั่นแหละไม่เป็นกลางที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีสองสเต็ปนะสเต็ปที่หนึ่งรู้เช่นรู้ว่าโกรธรู้ว่าเขืองสเต็ปที่สองจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง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 ทางใจเนี่ยไม่มีใครเข้ามารู้ของเราหรอกใจมันกโกรธเราก็รู้ว่ามันกโกรธไปสีหน้ามันก็จะออกอะค่ะออกแล้วก็ต้องรับกรรมไปเราผิดนะเรามันออกทางกายทางวาจาแล้วใช่ไหคุกคามเขาล้อะไรเงี้ยคือหมอยายถึงว่าไม่พูดแต่ว่าสีหน้ามันออ ก, ออกนั่นแหละสีหน้ามันออกเข้าใจเราโกรธเราค่อยๆฝึกที่ใจเราเนี่ย <c oughs> คอยรู้ทันความโกรธในใจนะพอไปความโกรธในใจจะค่อยๆหายไป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 นะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นกว้าอดีตละรู้ลงปัจจุบันไปเลยอ้าวเบอร์เก้าเบอร์เก้าคุณคะกระดาบนาัสการค่ะได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเร็วๆนี้เองที่ศ า, าลาลงชินนะคะก็ น, นี่ก็มู ว, ว, ว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะดีขึ้นเี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 ดีครับขอบุมาเจ้กเอาให้เบอร์สิบแปดก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละโทรศักการหนวงพ่อค่ะรู้สึกตกใจหนวงพ่ออยากสงสารเ <c oughs> หนียวปวใจจะวายซะก่อนเอาว่าไปค่ะก็มีโอกาสได้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 阿拉หังซ้ำมาอะไรเงี้ยนะสวดมนต์ไปแล้วสังเกตจิตไป阿拉หังซ้ำมาจิตหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดซ้ำพุโทโธพักวาจิตหนีไปคิดอีกแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะฝึกจนกระทั่งจิตมันหนีไปคิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นอะเวที่เมื่อกี้หลวงพ่อแนะนําพี่เขาเขาว่า เ, เรากระโจนลงไปไปไ ป, ไปคลุกกระจิตนะคะหรือเปเหมือนกับการปรุงแต่งจิตไหมคะไม่เหมือนหรอก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 เห็นไหมมันเป็นสองสเต็ปที่หลวงพ่อบอกอ่ะทีแรกเห็นสภาวะนะแล้วมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันมันพระมรการหลวงพ่อค่ะเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปฝึกดูพองยุบนะคะ ừ ừ ừ ừ แล้วก็เดือนนี้เพิ่งฝึกดูจิตอยากให้หลวงพ่อช่วยคําแนะนําค่ะแล้วเดือนต่อไปจะดูอะไรคือการปฏิบัติเนี่ยนะอย่าไปติดที่รูปแบบ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 เราเรียนให้ได้คุณภาพนะเรียกว่าได้เนื้อในของมันเปลือกเนี่ยไปเลือกเอาตามถนัดคนไหนถนัด ก, กรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานานั้นแต่ต้องทำให้ถูกนะถ้าทาผิดก็ผิดเหมือนกันถ้าทำถูกก็ถูกเหมือนกันหลวงพยกตัวอย่างนะอย่างรู้ลมหายใจบางคนรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจได้นิดเดี๋ยวก็เผลอไปคิดอะไรต่ออะไรเลยนี่อย่างที่หนึ่งรู้แล้วหลงไปเลยพวกที่สองพอไปรู้ลมหายใจนะจิต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 หรือทํางานบ้านก็ได้นะทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรนี่เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆก่อนลงเข้ามานี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะั้นมีพระมามาจากเชียงใหม่มาจากวัดอุโมงมาทั้งทีมหนึ่งเลยจากวัดอุโมงคภาวนาดีๆขึ้นมาหลายองค์มี อ, องค์นะที่ดีกว่าเพื่อนเลยวิธีภาวนาของท่านนั่คือกวาดวัดเนี่ยท่านไม่ได้ไปนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะเพราะท่านยังไม่พิการท่านยังเดินได้อยู่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 ทางน้องก็ยกเร็วกว่ามีสองคนกลาบในเทศการหลวงพ่อกันหนึ่งนะโยมซีกนี้รู้สึกไหมใจเราลอยมาฟากนี้รู้สึกหมส่วนใหญ่นะใจให้มันอยู่ตรงนี้ให้เรารู้ทันนะแต่บางคนหนีออกนอกธรรมศาสตร์ไปแล้ว <c oughs> อ้าวว่าไปค่ะมีคำถามจะถามหลวงพ่อค่ะว่าการภาวนาก็คือการตามรู้ตาตามรู้กายและก็ใจในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่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 เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินงังเปตานังอุปกรปติอิชิตังปจิตังตุมหังขิ ป, ปเมวะสมิตชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยถาสพีติโวิวัชฉันตูสภาโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิตจังุทธาปจจายโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหัดน้าภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไปพอเข้าใจเนี่ยจิตจะตื่นอย่างรวดเร็วเลยคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการภาวนาที่เหลือจะง่ายล้